อันแรกเก่กทุกเหตุเกิดทุก ค, ความดับทุกทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขก็ให้รู้จักตัวทุกขที่กายเวทนาจิตธรรมนี้นี่เองคือให้รู้จักว่าตัวทุกนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทน โดยสามัญบุคคลนั้นสิ่งที่ทนยากจึงเรียกกันว่าทุกข์แต่สิ่งที่ทนง่ายเรียกกันว่าสุขแต่ที่จริงนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องทนทางนั้นเป็นทุกข์ทงนั้นโลกเรียกว่าสุขเรียกว่าทุกข์แต่อย่างละเอียด ตามคดีทำนั้นเป็นทุกข์ทางนั้นคือเป็นสิ่งที่ต้องทนทางนั้นทั้งสุขและทั้งทุกข์ที่คนเข้าใจกันอยู่และเมื่อทนง่ายก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากแต่อันที่จริงนั้นเป็นทุกข์คือทุกข์น้อยแต่ว่าเมื่อต้องทนยากจึงเรียกกันว่าเป็นทุกข์ เพราะเหตุว่าทุกๆสิ่งนั้นที่เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดย่อมเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแ ป, ปรวนเปลีปล่ยนแปลงไปต้องเกิดต้องดับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับก็เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์คือทนยากทางนั้น คือทนอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าทนอยู่ได้แล้วก็จะไม่ต้องดับเหมือนอย่างความสุขที่ว่าเป็นความสุขกันทางคดีโลกนั้นแม้ไม่กล่าวว่าทนง่ายคือว่าทุกน้อยเรียกกันว่าสุขหรือกล่าวกันว่าสุขนี่แหละก็เป็นสิ่งที่ไม่ตั้งอยู่ ตลอดไปอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป <c oughs> เมื่อหายไปอาการที่ต้องทนมากหรือทนยากที่เรียกกันว่าความทุกข์ตามธรรมดานั้น <c oughs> ก็บังเกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่เป็นความสุขอะไรที่แท้จริงแต่เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่เพียงชั่วคราวคือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปดฉจนั้นจึงต้องหัดดูให้รู้จักว่าแม้ความสุขที่เข้าใจกันนี้ก็เป็นตัวทุกข์คือเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และแม่สิ่งที่น่าปรารถนาพอใจทั้งหลายอย่างอื่นเช่นลาบยศสนเสริญต่างๆก็เช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับไม่ตั้งอยู่คงที่อาจจะมีอยู่ตั้งอยู่นานบ้างแต่ในที่สุดก็ต้องดับต้องหายไปแม้ว่า จะดำรงอยู่นานชีวิตนี้ก็จะต้องดับไปก่อนเพราะชีวิตนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องดับเมื่อชีวิตนี้ดับไปก่อนก็เป็นอันว่าก็ต้องละทุกอย่างไม่เป็นเจ้าเขา้าเจ้าของในสิ่งข้างปวงอยู่ได้ตลอดไปพิจารณาให้รู้จักดังนี้ว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นคือตป้องอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าบุคคล น, นั้นเมื่อยังไม่กำหนดให้รู้จักทุกอย่างละเอียดลงไปจริงๆจึงทำให้มีความเพลินอยู่ในทุกขมีความติดอยู่ในทุกยึดเอาทุกไว้เมื่อเป็นดังนี้ก็ปล่อยไม่ได้พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอน ให้กำหนดให้รู้จักทุกตามความเป็นจริงและก็ตรัสสอนไว้เป็นอันมากในเรื่องนี้เพื่อให้มันพิจารณาให้รู้จักทุกตามความเป็นจริงและเมื่อมองเห็นทุกแล้วก็จะทําให้ผ่อนคลายความเพลิดเพลินความติดใจ ย, ยินดีความดิ้นรนไปในทุกต่างๆก็จะทําให้ปล่อยทุกได้ พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้โดยปริยายคือทางเป็นอันมากและในสติปัฏฐานก็ได้ตรัสสอนให้พิจารณาให้รู้จักตลอดจนถึงตัวสมุทัยคือเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาความดินนทยานอยากว่าก็เกิดขึ้นที่ทุกนี่แหละ แล้วก็ดับไปที่ทุกนี่แหละและโดยที่ตัดขยายทุกออกไปเป็นอาจตนาภายในอาจตนะภายนอกเป็นวิญญาณเป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสังเจตนาเป็นตัญหาเป็นวิตกเป็นวิจารณ์ทั้งหมดนี้ ก็รวมอยู่ในคำว่าทุกข์ท้งนั้นคือตัวทุกข์นี้เองอันสรุปเข้าเลยว่าตัณหาก็บังเกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ตัวทุกข์ดับไปก็ดับไปที่ตัวทุกข์นี้เองไม่ใช่ที่อื่นเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้เห็นทุกข์นั้นจึงต้องพิจารณาให้ผ่าน วัวทุกข์ที่เข้าใจว่าเวทนาต่างๆที่ทนง่ายทนยากดังกล่าวนั้นเข้าไปจนถึงตัวสังขารอันเป็นที่ตั้งของทุกข์ทั้งปวงที่ตรัสเรียกว่าขันบ้างอาจตระะบ้างธาดบัง้งหรือที่ตรัสจําแนกไว้ในหมวดที่ทรงแสดงถึงสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์และความดับทุกข์ดังกล่าวนี้รวมเข้าในคำว่าทุกข์คำเดียว ทุกทุกข้อตัณหาก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่ทุกแต่เพราะยังไม่เห็นทุกจึงได้มีความเพลินอยู่ในทุกและมีความติดใจอยู่ในทุกแต่ว่าเมื่อเห็นทุกแล้วก็จะทำให้ปล่อยวางไม่ต้องการก็เป็นความดับทุกก็ดับที่ทุกนั่นเองเพราะฉะนั้น ครูปฏิบัติจึงสมควรที่จะมันฝึกหัดพิจารณาให้รู้จักสัจจะคือตัวความจริงนี้และจะพบกับสุญญาตาคือความว่างพบกับสันติคือความสงบจะพบกับวิมุตคือความหลุดตามสมควรกับความปฏิบัติที่ได้ติดถึงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวะตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป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 ในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้รู้พระผู้เห็นธรรมได้ทรงแสดงสั่งสอนเพื่อให้ผู้ฟัง ในปฏิบัติทรงชี้ทางปฏิบัติไว้ต่างๆตามควรแก่ภูมิชั้นของผู้ปฏิบัติแต่ว่า แม้จะมีทางที่แสดงต่างๆแต่ก็รวมอยู่ในทางอันเดียวคือทางที่นำไปสู่ความ บริสุทธิ์หมดจดความล่วงทุกโทมันัดบรรลุถึงธรรมะ ดับกิเลสและกองทุกเป็นอันเดียวกันทั้งหมดและเมื่อมีความเข้าใจแม้ในทางใดทางหนึ่งที่ทงแสดงเมื่อได้ฟัง ทางอื่นที่ทงแสดงอีกปริยายคือทางอันหนึ่งก็ยอมจะเข้าใจได้และปฏิบัติได้ถูกต้องในอริยสัตว์ทั้งสี่ ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้ทรงแสดงอธิบายให้รู้จักทุกเป็นต้นก็ได้ทรงแสดง ทางปฏิบัติอันหนึ่งสำหรับในข้อทุกข์สัจจะนั้นก็ได้ทรงแสดงเหมือนกันกับที่ทรงแสดงในพระสูตรทั้งปวง เริ่มต้นด้วยทรงสแสดงชาติทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์และย่นย่อลงก็คือขันเป็นที่ยึดถือตั้งห้าประการเป็นทุกข์ส่วนในข้อสมุทัยสัจจะ ก็ดงแสดงคี้เอาตันหาคือความริ้นรนเห็นยันอยากของใจว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เหมือน ก, นกันกับที่ทรงแสดงในที่อื่นแต่ว่าได้ทรงแสดงคี้แจงรายละเอียดออกไป ในข้อที่ทรงตั้งเป็นปัญหาว่าตัณหาเกิดขึ้นในที่ไหนและก็ได้ทรงแสดงเฉลยว่าเกิดขึ้นที่สาตรูปรูปอันเป็นที่รัก เกิดขึ้นติดที่ปิยรูปรูปอันเป็นที่รักที่สาธรูปรูปอันเป็นที่สำาราญและก็ได้ทรงชี้แจงแสดงต่อไปว่าอะไรเป็นปิยรูปอะไรเป็นสาธรูป ในข้อนิโรธ ส, สัสจจะสัจจะคือความดับทุกข์ก็ได้ทรงแสดงชีอวะคือความดับตัณหาได้สิ้นเชิงก็เช่นเดียวกับที่ทรงแสดงในที่อื่นแต่ก็ได้ทรงแสดง โดยพิสดารออกไปอีกว่าตัณหาดับในที่ไหนและก็ได้ตรัสเฉลยว่าตัณหาก็ดับไปที่ปิยรูปสารรูปรูปเป็นที่รักรูปเป็นที่สำราญ และก็ได้ทรงแสดงต่อไปว่าอะไรเป็นปิยรูปสาธารูปเช่นเดียวกับข้อสมุทัยยศจะในข้อมัคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้ทรงแสดงชี้แจงว่ามัคที่มีองแปด มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นก็เช่นเดียวกับที่ทรงแสดงในที่อื่นเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาทางปฏิบัติจึงควรทำความเข้าใจในเรื่องของ ปีญรูปสารรูปตามสมควรและโดยที่ได้ใช้คำว่ารูปก็น่าจะทำให้ ค, หคิดว่าคามหมายสิ่งที่เป็นรูป ที่ใช้ในคำว่ารูปที่คู่กับนามคือ น, นามมารูปคือหมายถึงรูปประกายส่วนที่เป็นวัตถุประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้น แต่เมื่อได้ฟังรายละเอียดที่ทรงที้แจงแสดงว่าอะไรคือปิยรูปสาตรูปก็ยอมจะได้ความเข้าใจว่าคำว่ารูปในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะรู ป, ปรกายที่เป็นวัตถุเท่านั้น แต่ว่าหมายถึงนามในคำว่านามารูปคือทั้งรูปทั้งนามคือทั้งกายทั้งใจหรือว่าขันห้าทั้งหมด อันเป็นที่รับเป็นที่สำราญก็เรียกว่าปิยรูปสาธารูปทั้งหมดเพราะฉะนั้นคำว่ารูปในจึงมีความหมายเหมือนอย่างคำว่าสิ่งคือสิ่งที่เป็น ที่รักสิ่งที่เป็นที่สำราญคือเป็นที่ชอบใจพอใจแม้ว่าจะเป็นนามธรรมาก็เรียกว่าสิ่งได้เหมือนกัน และปียรูปสารรูปนี้หากจะพิจารณาโดยแนวธรรมะที่อนุสนิคือเชื่อมต่อกันก็จะเห็นได้ว่าเป็นอัธยาธิบายที่สืบเนื่องมา จากอุปาทานขันคือขันเป็นที่ยึดถือที่จัดว่ากล่าวโดยย่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเป็นทุกข์ก็คือรู ป, ปรขันกองรูปเวทนาขันกองเวทนา สัญญาขันกองสัญญาสังขารขันกองสังขารวิญญาณขันกองวิญญาณขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการอันเออุปากอุปาทานขันเป็นทุกข์โดยยันย่อ คือทุกทั้งหมดนั่นก็รวมอยู่ที่ขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการนี้แต่ว่าในข้อที่ทรงอธิบายโดยเรียกเป็นปิยรูปสารูป ก็จำแนกออกไปโดยพิสดารก็จำแนกขันห้านี้เองออกไปโดยพิสดารและก็ได้ทรงจำแนกออกไปโดยลำดับแห่งความเกิดขึ้นก่อนและหลัง และทรงแสดงเป็นปัจจุบันธรรมคือธรรมะที่เป็นปัจจุบันคือสิ่งที่เป็นไปอยู่เป็นปัจจุบันนี้เองโดยจับให้พิจารณา เกินความเป็นไปของกระบวนแห่งกายและใจที่ประกอบกันอยู่โดยปกติและก็แสดงกิเลแสแทรกเข้ามาที่กายและใจอันนี้ เป็นเครื่องขี้ให้เห็นว่าอิเลสก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ที่กายและใจอันนี้ในข้อที่เป็นสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์และในข้อนิโรธคือดับทุกข์ก็ทรงจำแนกเช่นเดียวกัน ว่าเมื่อกิเลสดับก็ดับที่กายที่ใจอันนี้นั่นเองในข้อนี้อาจจะเทียบได้กับสิ่งที่เป็นเชื้อไฟและตัวไฟ สิ่งที่เป็นเชื้อไฟนั่นเช่นท่อนไม้แห้งหรือกองหญ้าก็เป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของไฟไฟที่ติดขึ้นก็ติดขึ้นที่เชื้อของไฟเหล่านี้ ก็ตั้งอยู่ที่เชือกของไฟเหล่านี้และเมื่อไฟดับก็ดับที่เชือกของไฟเหล่านี้นั่นเองไม่ใช่ดับที่ไหนขั้นใดก็ดีอิเลสคือตัณหาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่กายและใจอันนี้ และเมื่อดับก็ดับที่กายและใจอันนี้ด้วยกล่าวยกเอาบุปาทานาขันขันเป็นดียึดถือก็กล่าวได้ว่ากิเลสคือตัณหาก็เกิดขึ้นที่ขันห้า อันเป็นที่ยึดถือดับไปก็ดับไปที่ขันห้านี้เองและโดยที่เมื่อมีกิเลสเข้าจับคือกิเลสขึ้นตั้งอยู่ขันก็เป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือ และขันนี้เองก็กลายเป็นอุปธิคือเป็นที่ทรงไว้ของใจและก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าทุกขนั้นก็มีอุปาทานอุปธินี้เองเป็นแหล่งเกิด และเมื่อขันเป็นอุปที่ยึดถือเป็นอุปธิเป็นที่เข้าไปจิตใจก็แปลว่าเป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของตัณหาและก็เป็นทุกข์ขึ้นมา ต่อเมื่อตันหาดับขันก็ไม่เป็นอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถือแต่ว่าเป็นขันเฉยๆเหมือนดังขันของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่แตกดับก็เป็นขันเฉยๆไม่เป็นอุปาทานขันไม่เป็นอุปธิ